แล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวท่านนั่งมาหนึ่งชั่วโมงเต็มเป็นยังไงก็รู้เองจากข้างในเป็นธรรมรู้ธรรมแจ้งในธรรมก็ตามปล่อยตามภูมิปัญญาตอนนี้ต้องการอะไรก็ไก่ เยี่ยมเลยอนุโมทนาด้วยนะสุดยอดเลยขอไข่จบแล้วที่นั่งเมื่อกี้จบแล้วจะไปเข้าน้าก็ไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยจ ะ, จะไปแบกอะไรจะไปเลียซากอะไร เ, เราสุดยอดเนะนั่งได้ชั่วโมงหนึ่งวางไปเลยทิ้งไปเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นเนี่ยทาอะไรก็ไม่เอาฝึกไว้ ไม่เพิ่มไม่อะไรทั้งนั้นเลยเพิ่มได้นะปีติเป็นเวทเป็นเป็นฐานเวทนาตัวหนึ่งที่เกิดเป็นความสุขเป็นอาการแต่ปีติเดินทางไปสู่อุเบกขาในที่สุดถ้าคนมีปัญญาหรือว่าทำมาแรงๆหน่อยสั่งสมได้นอนาัตตาเยอะๆจบแล้วจบดับเลย ไปคว้าไม่แบกไม่เรียซากไม่นั่งปลื่มชื่นชมจบแล้วนั่งจบแล้วไปเข้าน้ําไปเลยอย่างเงี้ยว่างว่างว่างว่างว่างว่างไปทุกขณะดีก็ไม่เอาทุกก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาฝึกให้จิตวางวางวางวางลงไปเรื่อยๆถึงเวลามันจะว่างเลยอ่ะจะเข้าห้องน้ำเชิญนะครับเชิญตอนนี้ก็ตามอัธยาศัย พักผ่อนอิเรียบทจนกระทั่งหกโมงเรามาเจอกันสวดมนต์